ถ้าเสียงนั้นเป็นเสียงที่ที่เราปรารถนานะมันจะยินถ้าเสียงฟังแล้วไม่ชอบเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตเห็นนะเพราะว่าเสียงนี่มีอิทธิพลต่อวิญญาณภาษาเวทนามากถ้าเสียงนั้นไพเราะก็เป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากสงเคราะห์เป็นสุขนะถ้าเสียงดีๆเลยเนี่ยสงเคราะห์เป็น สุขเวทนาอุเบกขาจริงอยู่ตรงนี้แต่เป็นสงข้อเป็นสุขถ้าหากว่าเสียงนั้นไม่ดีสงข้อเป็นทุกข์ถ้าเสียงนั้นธรรมดาธรรมดาก็ก็เป็นสงข้อเป็นอุเบกขานันะทีนี้อาศัยขานะและกลิ่นเกิดขานะวิญญาณความประชุมของเออไม่ความประชุมของธรรมะทั้งสามเป็นภาษ ะ, ะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา อาศัยชิวหาและรดเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมทั้งสามเป็นพัสสะเพราะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยกายกับโธทภาเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมะสามประการเป็นพัสสะเพราะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นพัสสะเพราะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่า เพื่อทราบหมวดเวทนาหกนั้นเราอาศัยเวทนานี้กล่าวแล้วนี้ธรรมะหมวดหกหมวดที่ห้าส่วนพวกนี้นะต้องอาศัยการตรึกบ่อยๆจริงๆเลยนะต้องต้องใครเรียวกว่าเพ่งอะ่ะต้องเอามาตรึกเอามาสงเคราะห์ในชีวิตบ่อยๆว่าอะไรเป็นส่วนไหนแต่ละส่วนแต่ละส่วนบ่อยๆถ้าไม่ตรึกบ่อยนะมันไม่มีความพิเศษฟังซ้ำซากมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังถ้าไม่ตรึกตามนะเป็นเรื่องที่ซ้ําซาก แต่ถ้าตรึกตามนะมันอีกอาณาจักรหนึ่งเลยซึ่งเป็นอาณาจักรที่เราไม่เคยเที่ยวไปเลยเป็นอาณาจักรที่เราบอดที่สุดเลยอยู่แล้วอยู่ในตัวด้วยแต่เราไม่รู้เรื่องนี้ดีเลยแต่ถ้าเราตรึกตามนะโหเสียงแต่ต้องจำพวกนี้ให้ได้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยเรามีพระธรรมเป็นสารณะใช่ไหมปริยัติคำสอนเหล่านี้เป็นสารณะของเราเรามันนี่แหละคือคาสอนที่ที่พระองค์กล่าวไว้ดีแล้วมาตึกตาม แต่ถ้าเราตรึกตามนะโอ้หเสียงแต่ต้องจําพวกนี้ให้ได้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยเรามีพระธรรมเป็นสารณะใช่ไหมปริยัติคาสอนเหล่านี้เป็นสารณะของเราเรามานี่แหละคือคําสอนที่ที่พระองค์กล่าวไว้ดีแล้วมาตรึกตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะท่องไว้สักท่อนหนึ่งอะ่ะเช่นเอารูปมาก่อนอน่ะเช่้นถ้าไล่นะไล่ทุกท awan ถ้าไล่ทุกทวา a ได้สลับหรือถ้าเราว่างๆนะใครเจริญภาวนาไม่เป็นนะ จำสูตรนี้แล้วมาตรึกทางตาตาสีจิตเห็นนั่งตรึกอย่างเงี้ยทุกขวาเลยหูเสียงจิตได้ยินจมูกกลิ่นจิตรู้กลิ่นเลนรสจิตรู้รสกายโพธาภะนั่งคิดอย่างนี้เลยเหมือนกับนั่งภาวนาทั่วไปที่เขานั่งนั่งกันอะ่ะแต่นั่งตรึกถึงสูตรเหล่านี้แทนลองดูนะถ้าไม่มีผลอะไรเนี่ยมาด่าได้เลย ไม่ใช่โหคิดผิดๆทุกๆนะโหจะได้คำหนึ่งอเงี้ยแ้วถ้าอย่างนี้ไม่มีผลแล้วแต่สามารถตรึกได้คล่องสามารถทวนขึ้นทวนลงในการตรึกเหล่านี้ได้เลยเราจะมีความพิเศษเลยนะไปตรึกดูกันแล้วกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเกิดเกิดอะไรเกิดปีติและปราโมทย์จะเห็นความอัศจรรย์พระพุทธเจ้ารู้เรื่องชีวิตของเราดีกว่าเราอยู่มาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วนะเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องของตัวเองเท่าไหร่เลย แล้วเรื่องของแต่ละทาวานแต่ละทาวานแต่ละทาวาถ้ายิ่งเราตรึกถึงสมมุติว่ากลิ่นกับจมูกกับกลิ่นเกิดขานะวิญ ญ, ญาณเราอาจจะนึกถึงเมื่อก่อนเราไปดมอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมดมยาดมก็ได้ดมยาดมฮือเข้าไปเราก็นั่งตรึกตามเพราะเพราะเรื่องนี้นะมันจะตรึกเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่สําคัญให้ตรึกไปตรายตรองไปเรื่อยๆเพราะธรรมะพระองค์กล่าวทั้งสามการ กล่าวทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ต้องห่วงเรื่องปัจจุบันว่ามันไม่ปัจจุบันเพราะว่าพราะองค์สอนทั้งสามอย่างนั่นแหละถ้ารูปเป็นรูปประคันก็ขันก็ ท, ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตถ้าวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจุบันถ้ากรรมที่ที่เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณกรรมนั้นก็เป็นอดีตทั้นการตรึกเรื่องอดีตอนาคตจึงไม่ได้ผิดไม่ผิดคําสอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงตรึกตามไปเถอะ ปะหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกําลังมีการเพ่งเป็นกําลังและก็องคุณของปะหูสูตรก็คือการแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งสามารถปรับความรู้อันนี้ให้เข้าใจปรับคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดลงชีวิตของเราให้ได้เอ่อเช่นสมมติว่าเรานั่งอยู่ในห้องเงียบๆแต่เราสามารถเพ่งเรื่องรูปได้เจตพเพราะว่าเราก็เคยมีรูปเป็นอารมณ์แล้วในอดีตเจตพารูปอ น, นันเนี่ย เป็นอัติตารมเป็นอดีตแต่จิตที่กําลังเพ่งอยู่นั้นเป็นปัจจุบันถูกไหมครับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ผิดไปใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้องว่าขณะที่จะเพ่งร่วมมาความเสียงต้องปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วไม่ไม่ต้องก็ได้ไม่ได้หรืออาจจะมีเสียงนะแต่ไม่สนใจเสียงจะจะตึกเรื่องรู้มแตสมมุติถ้าเสียงปรากฏเดี๋ยวนี้แล้วเราเพ่งเสียงก็ไม่ใช่ว่าเสียงจะเป็นปัจจุบันนะเพราะว่าตัเพ่งกับตัววิญญาณที่ที่รู้เสียงเนี่ย ค น, นคนละขนาดอีกแล้วเช่นพ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ชัดนะให้เปรียบเทียบคนอื่นก็ได้สมมติทางตาเราไม่ชัดเลยนะถ้าเขากลิ้งตาปุ๊บเนี่ยเขามองต้องมองเห็นอย่างนี้แหละเขามองเราก็สังเกตดูตาของเขากับสีมันจะต้องมีจิตอะ่ะเขาจึงรู้ได้เราก็รู้เขาก็รู้มันไม่ต่างกันเลยแล้วก็พยายามตรึกทั้งภายในตรึกทั้งภายนอกอย่าไปห่วงว่าโอ้นี่มันไม่ปัิเนึกเพราะนึกตามคําสอนเพราะตรงนี้เนี่ยเรา ออ่่าาแต่ก่อนนี้เราเข้าใจนะถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนี้นี่นะฮะเราจะอธิบายไม่ถูกเลยว่าตัวปัญญาอยู่ที่ไหนตัวสติอยู่ตรงกิตดวงไหนถูกไหมฮะถ้าสมมติเราจะมาพิจารณาจิตเห็นนี่นะฮะตัวสติไม่ได้อยู่ที่จักรคูวิญญาณนะไม่มีนะตัวจักขคูวิญญาณมีแค่เจตสิกเจ็ดวงนั่นเองอะ่ะใช่แต่ตัวที่เพ่งตั้งหากอะ่ะตัวที่เพ่งตัวที่พิจารณาตั้งหากที่ประกอบไปด้วยสติ และปัญญาใช่ไหมครับแสดงว่าขณะที่กําลังเพ่งอยู่นั้นอ่ะเพ่งอตีตารมะ่ะอดีตก็ได้แล้วก็ถูไหมครับอดีตอารมณ์ก็ได้ปัจจุบันอารมณ์ก็ได้อนาคตารมณ์ก็ได้อ่าปัจจุบันอารมณ์นี้ก็ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าคันปัจจุบันอารมณ์นี้ก็หมายความว่าขณะนั้นนี่นะฮะขณะที่จิตเป็นหมหากรุลนี่นะครับยาณสัมพยุทธประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเจตสิกนี่นะครับขณะนั้นเนี่ยก็มีก็มีอารมณ์ สิ่งนั้นเนี่ยเป็นเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่ไม่จําเป็นต้องผ่านประสาททรูปครับแต่ไม่จํา<ม>เป็นต้องผ่านประสาททรต้องเช่นเช่ น, ช น, ชนสมมติว่ากลิ่นเนี่ยเราตรึกถึงกลิ่นนะสมมุติน ะ, ะถ้าหากว่าเราไปไปเห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยว่ากลิ่นนั้นมีกลิ่นแน่นอนเรารู้ด้วยลักษณะของกลิ่นนั้ น, นเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องผ่านประสาทขานาประสาทขของเราเราสามารถรู้กลิ่นได้และไปดมดูก็ไม่ต่างอะไรจากที่เราคิดไหม ถามว่าในขณะนั้นเนี่ยเป็นปัจจุบันไหมบางท่านอธิบายว่าเป็นปัจจุบันด้วยในลักษณะนี้ก็เป็นปัจจุบันและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปใส่การให้เรื่องนี้ก็ได้ไม่มีความจําเป็นเลยต้องไปใส่การให้เพราะว่าถามว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นคําสอนไหมก็เป็นคําสอนมันจะการไหนก็ช่างมันเจอก็คือตึกบ่อยๆก็แล้วกันในส่วนเหล่านี้นะถ้าตรึกแล้วจริงก็รู้เองอะ่ะคือบอกไม่ได้ว่าไม่ต้องเอาเหตุผลเลยพอในชั้นนี้ ตรึกตามแล้วเอาไปคิดตามเพราะในชั้นต้นนะมีศรัทธาอย่างเดียวคําสอนนะพระพุทธเจ้าขึ้นต้นด้วยศรัทธาเพราะเรามีศรัทธาในแต่ตถาพโททุโพธิศรัทธาอยู่แล้วเราเชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยไม่ผิดแน่นั่นแหละอันเดียดต่อไปนะข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดตันหาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือ บุคคลอาศัยจักสูุและรูปเกิดจากสสุวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสมเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเป็นตันหาโดยเป็นถ้าในชววนณะถ้าในปัญจทวารวิถีนะเวทนาที่เกิดในจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะ พวกนี้เป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้โลภะที่เกิดในชาวนะในปัญจทวารวิถีถ้าหากว่ามนโนทวารวิถีก็ถือว่ามีผัสสะพวกนั้นเป็นปกระตูปะนิสยปัจจัยให้ถ้าเวทนาใกล้ๆกันนั้นก็เป็นอนันตระอนันตูปะนิสยปัจจัตในในวิถีนั้น่ะในวิถีนั้น่ะเวทนาที่เกิดกับจกักคูสัมผัสเนี่ย รือว่ามีอิทธิพลต่อชวนะมากมีอิทธิพลมากแต่โดยปะกระตูปะนิสยปัจจัยถ้าหากว่ายังสงสัยเรื่องปรกระตูคืออะไรก็กเอาไว้ก่อนแล้วกันศึียาวันจะต่อไปอีกบ้างนะนอาศ <eri> ัยโสตและเสียงเกิดโสตวิญญาณความประจวบของธรรมะทั้งสามเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตันหาหูคําบางคําฟังปั๊บเนี่ยนะดีใจกระโดดเลยก็มีะนะแม่จะให้สตังอย่างเงี้ยโหยิ้มแต่อะไอย่างเงี้ยตรงนี้ในลักษณะปฏิบัตินะครับถ้าพิจารณามาถึงตรงนี้นะครับว่าอภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดจึ่เกิด เ, กดเวทนานี่นะครับเวทนก็หมายความว่าเป็นเวทนาจริงๆไหมที่เราพิจารณาหรือว่าเป็นจริงแต่ว่าเรารู้ว่ามันเกิดเวทนาเท่านั้นอ๋อก็คำว่าก็ ตัวนั้นเวทนาก็เป็นของจริงอยู่แล้วก็เป็นสัจจะมันก็จะมีเวทนาเป็นอารมณ์มอเปล่าครับถ้าตรึกบ่อยๆจะมีเวทนาเป็นอารมณ์ใหม่ๆก็มันก็สับสนบ้างแต่ระยะนานๆาาเข้าตรึกบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ค่อยสับสนนะเพราะว่าถ้าตรึกอย่างนี้ปุ๊บนะถ้าเราเริ่มตรึกอย่างนี้เราจะรู้ว่าเราเนี่ยข้อมูลเรื่องนี้อ่อนที่สุดเสร็จแล้วต่อไปนะเราไปเห็นไปได้ยินปุ๊บมันจะเริ่มเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อมาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา มันก็เหมือนกับเราอ่านหนังสือเอ๊ะทาไมเราอ่านเรื่องนี้ไม่ค่อยเข้าใจเรามาอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจพอไปอ่านเรื่องอื่นๆมานะมันจะค่อยๆเก็บความรู้ในส่วนอื่นๆแล้วมาอ่านใหม่มันจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นความเข้าใจอันนี้เนี่ยบางอย่างมันก็เกิดจากการบ่อยคร่าว่าแล้วก็ต่อมาก็เมื่อเวทนาเป็นเป็นเหตุให้เกิดปัญหานี่นะก็มีตัญหาเป็นอารมณ์ให้มหาภุสโจิตนั่นพิจารณาเจริญใช่ไหมครับเจรนพราะนั้นตัญหาอันนั้นเนี่ย ไม่ต้องเป็นปัจจุบันไงไม่จําเป็นต้องเป็นปัจจุบันเช่นเราไปไปได้ยินเสียงบางเสียงเนี่ยนะเสียงคนให้ความหวังเราเสียงใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราอยากได้เรื่องนี้มานานแล้วพอได้ยินพุ่งเนี่ยสภาพจิตเรายินรู้สึกยินดีเนี่ยเราชัดเลยทีนี้พอมาไล่ทวารเราก็เริ่มตรึกในเรื่องนั้นๆเนี่ยหรืออาจจะเห็นคนอื่นก็ได้เห็นคนอื่นบอกไอ้หนูเดี๋ยวแม่จะให้อันนี้นะปั๊บโอ้โหเด็กมันดีใจเราก็รู้ทันทีเราก็ตึก เพราะมันภายในภายนอกไม่ต่างกันเสร็จ แ, แล้วมันก็สามารถที่จะประมวลชีวิตมาจริงชีวิตของเรามีแค่โลกหกโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองเรื่องของตาเนี่ยเป็นไปแค่ไหนเรื่องของหูเป็นไปขนาดไหนเรื่องของจมูกเป็นไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตึกตามนี้นะความเข้าใจในเรื่องนี้เราจะอ่อนมากและสูตรเหล่านี้เนี่ยมาอ่านแรกๆเลยนะเอามาแสดงเอายางนี้ก็เอามาแสดงศรัทธ า, า, า, าเราไม่มีอ่ะ ใช่ไยมอมทนหนึ่งนะมาเรียนกับเราเนี่ยทุกวันนี้ก็บอกเอ๊ะท่านพูดซ้ำซากอ่ะทุกวันทุกวันไม่ฟังละมามังไม่มาบังก็ตอนหลังนะที่ไม่มาเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องเลยหรือเขาบอกว่าเขาได้ยินหมดแล้วคําเหล่านี้แต่เขาไม่เคยคิดเรื่องราวเหล่านี้เลยพอฟังระยะหนึ่งจะเริ่มเบื่อล้วเริ่มเบื่อยิ่งคำมะยิ่งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยนะคำมันซ้ําๆแต่ที่จริงมันอีกอนณาจักรหนึ่งเลยถ้าหาว่าคนไม่เปิดดูเนี่ยไม่เห็นนั่นแหละ ถ้าไม่ส่องสอดส่องดูจริงๆไม่วิเคราะห์เจาะลึกนะพระองค์ใช้ธรรมวิจัยอะ่ะถ้าไม่ทําธรรมวิจัยในเรื่องนี้จริงๆนะคําสอนเหล่านี้เราจะไม่เห็นคุณค่าเลยแต่ถ้าหากว่าเราตรึกตรองเพ่งพินิษในเรื่องนี้บ่อยๆนะหูแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยนะเราจะจําได้เกือบทุกคํามันประทับใจมากเลยนะแต่ละคำํำอู้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านเก่งขนาดนี้นะันะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยตรึกเรื่องนี้เลยนะเขาบอกว่า พูดถึงเรื่องอะไรที่คนนั้นไม่มีคนนั้นจะไม่ชอบพูดเรื่องศีล <c ười> คนไม่มีศีลไม่ชอบนะพูดเรื่องเพ่งเรื่องนี้เหมือนกันคนไม่เคยคิดเรื่องนี้นะฟังแล้วไม่เค ช, ชอบเหมือนกันมันไม่สนุกเลยไม่มีพระเอกเลยนะแต่ถ้าเอาเรื่องโน้นมีพระเอกนางเอกไปที่นั่นที่นี่มาคนเนี่ยชัดชอบแต่หลายท่านที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็บางคนเนี่ยไม่ชอบเรื่องพระเอกนางเอก เ, เลยนะชอบที่เป็นลักษณะน ee, ี้บางท่านก็เป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่การสั่งสมมา แล้วแต่ใครเห็นอะไรเป็นสาระก็เหมือนเราเข้าไปในตลาดใช่ไหมใครสนใจที่อยากได้อะไรก็จะเอาสิ่งนั้นไปก็การพิจารณาอย่างนี้นี่นะครับถ้าเราพิจารณาตามก็หมายความเริ่มตั้งแต่รูปแล้วก็ไปตาตาแล้วเกิดจักกุบิญ ญ, ญ, ญาณจักกุญญาณสามอย่างประจวบกันเกิดผัสสะผัสสะมากเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเกิดปัญหานี่นะครับต่นี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางครั้งเราก็อาจจะทัวรนะพรเราไปเจอ เราไปเจอเวทนากรณีหรือหรือตัณหากรณีใช่ไหมฮะพอเราเจอจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะเพ่งโดยทวนขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมเจรนญพรได้ใช่ไหมฮะหรือแปว่าอ๋อเรนี้มาจากเวทนานี่นะนี่เพราะเราเราติดข้องอันนี้เนี่ยมันมาจากว่าเราเคยมีเวทนาอันนี้มานะอ๋อจากมีเวทนานี้นะเพราะว่ามันมาจากผัสสะนะแล้วก็มาจากเออเกิได้ยินนะได้ยินท้่มากระทบหูนะมาเกิดได้ยินอย่างนี้นะเราลองไล่ขึ้นไปเจริญพอย่างงี้ก็ได้ เพราะพระองค์แสดงทั้งอนุโลมและปฏิโลมถามว่าธรรมะหมวดนี้เนี่ยสงฆ์ข้อเข้ากลุ่มไหนปฏิจจัสมบัติวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยภาษะเป็นปัจจัยภาษะมีอะไรเป็นปัจจัยสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะมีอะไรเป็นปัจจัย นามโรคเป็นปัจจัยนามโรคมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยมันสามารถที่จะทวนได้หมดเลยแล้วถ้าเราจําแม่นคล่องมากขึ้นนะเช่นพูดถึงผัสสะปั๊บนะเรื่องปัจจัยก็จะไม่ยากแล้วสำปยุตตปัจจัยของเขาคืออะไรปั๊บเวียนไปหาเรื่องปัจจัยโดยเจ้าชาติจะไม่ยากแล้วสำปยุตตธรรมของเขาโดยสหชาตชาติของเขาคืออะไรบ้างอ่ะ น, นะเราได้แล้วถ้าโดยอรรารามณชาติของผัสสะอนั้นคืออะไร โดยปกตูปานิสยาชาติของเขาคืออะไรปุ๊บเรียนเรื่องปัจจัยก็ไม่ไม่ใช่ของยากละกลายเป็นว่าวิชาปัจจัยก็ลืมตาก็มองเห็นปัจจัยละนั่นแหละแม้ท่านก็ดูมันง่ายนะความจริงมันยากนะเอออันนี้ก็เราพอมองเห็นแล้วนะนะว่าประโยชน์จากการศึกษาพระพระไตรปิฎกเนี่ยนะสมกับที่เราตั้งใจไว้เลยว่าเราเปิดการฟังธรรมเนี่ยนะฮะ มีวัตถุประสงค์เพือที่จะอ่านพระตรีิษกนะคความจริงนะฮะที่ท่านกล่าวว่านี่นะะผมก็เจอมาเยอะเพราะจํานวนสูตรไม่น้อยทีเดียวได้กล่าวถึงเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะเนี่ยเรื่องจากตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยในในพระสุตตานตปิฎกเนี่ยนะแทบจะผมว่าสักสักสี่สิบเปอร์้าสิเป็นต์ได้ไหมเชิญพลอยนะก็ยสลายยตนาวักเนี่ยทั้งนั้นเลยลก็เรื่องนี้ทั้งนั้นแหละแล้วพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่ตัดสรุเรื่องนี้พระองค์ก็ไม่บอกว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที้นะ ถ้าเราเพ่งลักษณะนี้บ่อยๆนะแล้วเจริญพุทธคุณใหม่สามมาสัมพุทธโธพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรสมมุติถ้าเราพิจารณาเรื่องตาบ่อยๆนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องจากสุจาสุสมุทัยจากสุนิโรธจากสุนิโรธคามินีปฏิปทาแต่ให้เราคล่องเรื่องนี้อย่างดีก่อนนะแล้วเอาแต่ละคํามาตรึกใหม่พระองค์นี่ตรัสรู้เรื่องรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทา พระองค์เรื่องตรัสรู้เรื่องจกัญญ ирован, จกสู่วิญญาณจักสูวิญญาณสมุทยัยจักสู่วิญญาณ น, นิโรธจักสู่วิญญาณ น, นิโรธาคามินีปฏิปทาจักขู่สัมผัสจักขู่สัมผัสสมุทัยจักขู่สัมผัสน authent, ิโรธจักขูสัมผัส น, โ น, นิโรธาคามินีปฏิปทาเพื่อเราจะรู้ว่าแต่และคําเหล่านั้นนะถ้าคนมีปัญญาเข้าแทงต่ออริยสัจตรงนั้นได้เลยในเรื่องนั้นนั่นแหละสิ่งเหล่านี้พระองค์พิจารณาทั้งหมดเลยตรงนี้ก็มาเข้ากับเป็น พิจารณาเป็นอปิญญาก็ได้ปิญญาสามก็ได้ครับแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ใช่ไหมครับเจนทายพอเราพิจานาไปแต่ละตัวนี้ก็อาจจะดึงออกมาทั้ตัวหนึ่งเพื่อจะพิจานาเป็นปิญญาใช่ไหมครับปิญญาตัดปิญาก่อนเช่นรวมนี่นะฮะปิญญาตัดปริญญายังไงบ้างใช่ไหมครับเจนทาเพราะว่าถ้าหากว่าเริ่มรู้จักสิ่งนี้จริงๆคำว่าเริ่มรู้จักสีจะเริ่มถ้าเรารู้จักสีจริงๆเราต้องรู้ปัจจัยของสีเช่นกรรมะปัจจัยก็เหมือนกับถ้าหากว่า คนที่เลี้ยงแม่นะคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาดูลูกเขาจะสังเกตบ่อยช่วงนี้ลูกผอมช่วงนี้สีหน้าลูกไม่สบายช่วงนี้ลูกอ้วนขึ้นอะไรขึ้นนะพ่อแม่เนี่ยจะเป็นคนที่คอยสังเกตลูกขนาดนั้นฉันเลยก็ดีคนที่เจริญเรื่องนี้นะมันไม่สังเกตคนเดียวมันสังเกตทุกคนเลยนะมันจะค่อยๆจับตามองเพราะอย่างน้อยที่สุดเอาเรื่องกรรมมาเป็นหลักในการเพ่งมันจะเอาคําว่ากรรมเนี่ยมาตรึกแล้วพอตรึกปับ๊บ กิริยาอาการอย่างนี้มันทำกรรมอะไรใหม่จะมีผลยังไงมันก็คิดเรื่องนี้เป็นชีวิตจิตใจอ่ะเพราะเป็นเป็นเบื้องต้นอของถ้าเรื่องกรรมอย่างนี้ไม่แน่นอริยสัจเนี่ยไม่แน่นเพราะว่าเอาจี้นะถ้าหากว่ามีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งซึ่งมันไหลเชี่ยวมากอ่าก็มีคนอยู่คนหนึ่งมองเห็นทางว่ามองเห็นว่าถ้าน้ำสายนี้เนี่ยถ้าใครไปตามกระแสน้ำเนี่ยกระแสน้ำบางช่วงมันเป็นน้ำตก จะตกไปในเหวแล้วก็ไหลไปสู่น้ำมาหาสมุทรก็เจ็บตัวถูกโคดินถูกอะไรเนี่ยขูดครูดเสียหายมากแต่ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยเดินลุยไปเพื่อที่จะขึ้นฝั่งมันก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้คนที่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมก็คือคนที่มองกระแสน้ำอย่างตลอดสายว่าชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏะนี่จะเป็นลักษณะไหนบ้าง แล้วมองเห็นว่าการศึกษาการปฏิบัติอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเป็นการทวนกระแสเป็นปฏิโสตะขามีเป็นผู้ทวนกระแสเพราะฉนั้นมันไม่สนุกแน่เรื่องนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนุกแบบโลภะแน่เพาั้นคนที่ยังมีชุ่มมากๆก็ฟังยากทีนี้ถ้าหากว่าราคะชุ่มกิเลส ช, ชุ่มมากก็ฟังยากเพราะโยมยังไม่อยากนิพพานลเหอนกันแต่นี้เราศึกษาในฐานะเป็น สารณะของเราอะนะว่าคําสอนของเราสอนไว้ในลักษณะนี้ทีนี้คนที่เริ่มเดินทวนกระแสก็เหมือนกันยังไงเพื่อนมันก็ต้องน้อยลงกว่าเราใช่ไหมเพราะเราไม่ค่อยคุย cher, เพอเจอร์ดังั้นเพื่อนลักษณะเพอเจอร์มันก็ต้องห่างไปเรื่องธรรมนาเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราจะคบพระธรรคําสอนเราก็ต้องหลีกเรื่องหลีกเลี่ยงคนชั่วในตัวอยู่แล้วเพราะคําสอนพระเจ้าบอกอาเสวนาจะพาลานาการไม่คบคนพานปันฑิตานั้นจะเสวนา การคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาในบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคารมุตัมมังนี่เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญแต่ถ้าเราวผ่านก็จะเอาก็แสดงว่าเราไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าจริงๆพอาะเราไม่บูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเราก็จะห่างจากคําสอนไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็เป็นคนที่ตกจากศาสนาไปแล้วโดยที่ที่ไม่รู้ตัวว่าตกไปแล้ว เพราะันส่วนใหญ่นั้นคนที่ตกจากธรรมะนะไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยตกไปแล้วเพราะในช่วงเบื้องต้นมันก็ต้องในช่วงที่ทวนกระแสก็เหมือนกันเพราะชีวิตในวตัตถะของเราเราไม่ได้ทําดีมาตลอดใช่ไหมเราเคยชมคนตลอดไหมเราเคยแต่นินทาคนอื่นตลอดคนอื่นเขานี่ทาบ้างก็เป็นปกติอ่ะทำไมเรายังพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีก็ค่อนข้างพอสมควรเนั้นคนอื่นเขาก็ต้องพูดถึงเราในแง่ไม่ดีก็มีเป็นธรรมดาทีนี้ในช่วงที่ทวนเนี่ยถ้าทวนไปจนถึงที่สุดแล้วจะขึ้นบนบกได้ก็เป็น พาะารันพระารันก็คือเป็นผู้ไม่ตามกระแสะไม่ทวนกระแสะแต่เป็นคนที่อยู่บนบนบกเรียบร้อยแล้วอันของเราก็ต้องมองว่าไอ้กระแสะถ้าเรายังปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกระแสเนี่ยมันอีกยาวนานขนาดไหนบางคนก็บอกเออเดี๋ยวลอยไปตามกระแสะมากๆเดี๋ยวแม่น้ำนก็พัดขึ้นบกเองแหละอย่าหวังเลยนั่นไม่มีทางเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าพบใดที่พระองค์ไม่เคยเกิดหายากเว้นสุทาวา เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยภพจึงไม่ใช่ฐานะแต่ปล่อยเออตายเดี๋ยวไปเกิดสักภพหนึ่งเดี๋ยวก็พัวเองแหะอย่าหวังเลยไม่มีทางหรือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยจะบริสุทธิ์ด้วยวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่นอกจากมรรคมีองค์แปดอย่าหวังเลยเพราะพระองค์ทํามาหมดแล้วพระองค์บอกว่าแม้แต่ทานอุจจระกินขี้วัว น, นี่พระองค์ก็เอาล้บางชาตินี่ไปไปดึกๆเนี่ยนะมีขี้วัวก็เอาขี้วัวก้อนเดียวไปกินก็มี หรืออย่างเรื่องว่าอาวัดอดอาหารมาจับพระองค์ก็ทํามาหมดนะหรือไปบํารุงบําเรอด้วยการมาสุขทั่วไปพระองค์มีมเหสีเป็นหมืนม่นๆคนยังไงจะเอาแบบไหนพระองค์ก็มีหมดแต่ว่าหนทางเหล่านั้นไม่ได้ทําให้บรรลุอริยสัจอะไรไม่ได้ทําให้พ้นทุกข์อะไรแต่สิ่งเหล่านั้นคือการก่อทุกข์ด้วยซ้ำไปงั้นตอนหลังเนี่ยพระองค์จึงอาศัยอุปนิสัยเก่า ที่พระ อ, องค์ทรงสั่งสมบุญสั่งสมบารมีมาตั้งแต่พระผู้มีพระภาคองค์ก่อ น, อนบารมีสิบนั่นแหละเป็นปากตูปะนิสยปป จ, จัยให้พระ อ, องค์เนี่ยตรึกในทางที่ถูกต้องเป็นจินตามายปัญญาโดยที่ไม่ได้ฟังจากผู้อื่นมาก่อนแต่อย่าลืมนะเฉะพาะคิดในใจเฉยๆก็เท่าไหร่เจ็ดอสงไขเปล่งวาจาออกมาอีกเก้าอสงไขยได้รับพุทธพยากรอีกสี่อสงไขแสนกับ กว่าจะมาคิดเองเนี่ยเฉพาะชาติสุดท้ายแต่ก่อนนั้นๆมาเนี่ยท่านก็ออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะทรงพระไตปิโดกด้วยแสดงว่าไอาชาติของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยทรงพระไตปิโดกมาแล้วนั้นอุปนิสัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้พระองค์ได้ทรงบรรลุธรรมของเราในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเอาไปตรึกบ่อยๆนะถ้าลักษณะสูตรแบบนี้เนี่ยที่จริงเราก็พอฟังหนทางเข้าใจแล้วล่ะนั่นแหะถึงไม่อ่านหมดก็ก็คงไม่เป็นไร เหลือเวลานิดหน่อยครับถ้าเอาไว้พรุ่งนี้เลยครับที่เหลือนะนะยังอย่าไปบรรลุเร็วอีกหกสิบเลยนะครับผมมาแค่ประมาณสามสิบนั่นเอง อ, ะ<ม>อ่ะเวลาหมดแล้วครับเหลืออีกสองสามนาทีเอ้าใครมีปัญหาครับเพราะว่าอาจารย์ปลาระบา้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะ<ม>อะจะอะคุณหมอถามว่งไงฮะ ถ้าเราจะพิจารณาสลับทววานได้ไหมใช่ไหมครั บ, งง ค, รบคือการที่าจรณาอันนี้นะไม่ต้องคอยให้มันปรากฏที่จริงธรรมะในโลกนี่นะมันมีอยู่ทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่เราจะรู้มันหรือไม่รู้มันเท่านั้นเองไม่ต้องคอยให้มันปรากฏมันอยู่ที่การบางอย่างนี่ตรึกไปหาต้องต้องตรึกเอาอที่จริงนะฮะบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนี่นะฮะ หรือว่าสิ่งที่จะให้ปัญญาพิจารณาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเกือบจะมีตลอดเวลาเลยนะเว้นอย่างเดียวนะรสกับกลิ่นเนี่ยที่ไม่ค่อยไม่ค่อยตลอดเวลานะเท่ที่เราไม่กระทบตลอดแต่เสียงเนี่ยตลอดนะเจพแต่การพิจารณานะไม่ต้องคอยให้มันมาเกิดก่อนแล้วเราค่อยปารบเพราะถ้าถ้าคอยให้มันเกิดก่อนนี่เมื่อไหร่จะปารสักทีเพราะบางอย่างนะเราก็ไหลไปเรื่อย เพราะในการฝึกอันนี้นะก็ตื่นตัวขึ้นมาปารัเพราะเป็นการปารับไม่ได้มองชีวิตแค่ขณะนี้นะการศึกษาธรรมะจริงๆไม่ได้มองชีวิตอยู่แค่ขณะ น, นี้เอางี้นะการปารัเรื่องนี้นะก็คือปารัเรื่องกรรมนั่นเองเช่นกลิ่นมีสมุฐานสี่ใช่ไหมปรัเรื่องกรรมโรคก็มีสมุฐานสี 4, ก่ก็ก็หนึ่งในกรรมด้วยถามว่ากรรมเนี่ยมันมีแค่เนี้ยแหละผลของกรรม กรรมมีแค่นี้ใช่ไหมไม่มีแค่นี้แต่มันโปรตปารบตลอดเลยมันปารบมองชีวิตทั้งวัตถะเพราะการเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยมีอารมณ์เท่าไหร่มีอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเอาทั้งสามอย่างแล้วสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราคิดมันก็ปรากฏถ้าไม่คิดมันก็ไม่ปรากฏอยู่ที่การมานาสิการเพราะสิ่งเหล่านี้นะสมมุติว่ายัางอยู่อย่างนี้เราคุยกันอย่างนี้นะ อาจจะไม่นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยเช่นคําว่าบ้านเนี่ยนะถ้าไม่พูดถึงเราจะไม่ได้ยินเลยแต่ถ้ามาพูดตารบเพิ่นเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวคำว่าบ้านจะโผล่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเรื่องของคนที่บ้านก็เข้ามาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปเรื่อยเรื่อยเ อ, ยอะไรก็ตามอยู่ที่การปารบเองถ้าเราปารบบ่อยสิ่งนั้นจะปรากฏบ่อยนั่นแหละแต่ถ้าคอยให้ปรากฏนี้ก็ก็อะไรปรากฏละะ่ะคะน<อ>ี่ริ ง, รงปรากฏดมั่วปรากฏตลอดเวลาเยอะมากนะอย่างโบทาพาก็ตลอดเวลาเสียงก็ตลอดเวลาสีก็ตลอดเวลา แต่อารมณ์ในอดีตก็ปรากฏไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับและยังยังคนที่มีข้อมูลเก่าๆเยอะนี่ส่วนใหญ่นั่งฟุ้งแต่เรื่องอดีตทั้งนั้นเลยนะ อ, อารมณ์ในอดีตป ร, ปรากฏถ้าส่วนใหญ่เลยเช่นเสียงเนี่ยคนนั้นเขาพูดอย่างนั้นได้ยังไงวะทำไมเขาจึงพูดอย่างนั้นวะอันนี้เสียงปรากฏทางความคิดในอดีตนั่นแหละเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันรู้จิตเนี่ยนะตัวจิตจริงๆในมโนทวารเนี่ยนะมันรู้ได้ทุกอารมณ์ มันแล้วแต่ปัจจัยที่จะทำให้น่วงนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันสมมติเรามมาจะพูดให้เราคิดถึงเรื่องอนาคตก็ได้จะพูดให้นึกถึงเรื่องอดีตก็ได้นึกถึงเรื่องขณะนี้ก็ได้แล้วแต่การน้อมไปน้อมไปรู้อะไรสิ่งนั้นก็จะถูกรู้เพราะตัวอารมณ์เนอคือสภาวะธรรมเนี่ยมีอยู่ตลอดของเขาบางอย่างเป็นอดีตบางอย่างเป็นอนาคตบางอย่างเป็นปัจจุบัน แต่จิตที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยแล้วแต่มนัสิการหรือแล้วแต่วิตกที่จะนึกไปนึกในเรื่องอดีตก็เป็นอารมณ์อดีตนึกสิ่งที่เป็นอนาคตก็จะเป็นอนาคตมันเหมือนมันเหมือนการมันเหมือนเป็นการเจริญฌานเหมือนกันนะเพราะมีวิตกยกจิตเข้าพิจารณาอารมณ์น้อมไปเขาจะเรียกถ้าเป็นวิปัสสนาเขาจะเรียกลักขณูปนิสชาณแต่ไม่ได้ไปเพ่งเป็นเป็นลักษณะแบบเมตตาหรือแบบฌานแบบแบบสมถะ แต่เป็นการไปตรึกในเรื่องของสภาวะธรรมเพราะคําพูดเหล่านี้เช่นตาสีก็สภาวะธรรมจกักวิญญาณก็สภาวะธรรมภาษาเวทนาสิ่งเหล่านี้แต่และอย่างก็เป็นสภาวะธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเกี่ยงเลย <c oughs> เกี่ยงก็คือทําไมเราไม่คิดอย่างนี้สักทีหนึ่งเอออันนี้เนี่ยน่าปรบรบนะนะทําไมไม่คิดอย่างนี้สักทีเอออันนี้เนี่ยน่ า, น, าน่าสังเกตนะถ้าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้ไม่เจริญนะเสื่อมแน่แต่ถ้า ขอให้มันเกิดเองนะก็เหมือนกับการให้ทานเอ้เมื่อไหร่จะคิดจะให้สักทีหนึ่งถ้าคิดอย่างนี้นะมันมันนา น, น, นกว่าจะคิดให้สักทีหนึ่งเหมือนต้องหาปัจจัยที่จะให้คิดให้สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันหาปัจจัยที่จะทําให้เราตรึกในเรื่องราวเหล่านี้ใบ่ๆจึงจะจึงจะได้หาอาหารให้สติเหมงอนกันเถอะเชิญทรานก็อยากจะให้ท่านอธิบายมาเนี่ยมหาสิปฐานสี่เกี่ยวข้องยังไงครับหนึ่งในสี่หรือว่าทั้งสี่หรืออะไรครับเนี่ยที่ท่าน ญญ ร, รูรปประคันคือกายานุปัสนาอ่ะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้ามีธรรมะอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาธรรมะกลุ่มนี้ถ้าเป็นสติประทานสูตรเนี่ยมีอยู่สามองค์ธรรมเด่นชัดเลยก็คือสติหนึ่งวิริยะหนึ่งปัญญาหนึ่งสามตัวนี้ ถ้าธรรมะกลุ่มนี้นะไปพิจารณาเรื่องรูปปัจขันเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้าสติสวิริยะเหล่านี้ไปพิจารณาวิญญาณขันเป็นจิตานุปัสสนาถ้าไปพิจารณาเวทนาขันเป็นเวทนานุปัสสนาถ้าพิจารณาผัสสะเป็นต้นเป็นธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นตัวนี้นะเป็นตั ว, ต, วตัวปฏิบัติเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นปัจจุบัน เพิงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพุ่งไอเพียรตัวนี้เนี่ยต้องขณะนี้เท่านั้นแต่เพียรรู้อะไรนั้นนั้นกลุ่มนี้กลุ่มอารมณ์เมื่อกลุ่มอารมณ์นั้นจึงไม่ต้องเกี่ยงเวลาให้เขาเพราะอย่างสมมติถ้าพิจารณาเรื่องกรรมนะถ้าเรามาคอยเกี่ยงเวลาเอ๊ะคิดเรื่องกรรมมันไม่ใช่ปัจจุบันอะ่ะเจตนาในอดีตเอ๊ะคิดนึกไปไม่ใช่ปัจจุบันไม่ต้องไปห่วงว่ามันเป็นปัจจุบันหรืออนาคตหรืออะไรเพราะพระองค์แสดงทั้งสามการ พระ อ, องค์แสดงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันถามว่าเรื่องปฏิจจส ม, มุปบาทบางอย่างเป็นปัจจุบันบางอย่างเป็นอดีตแล้วพระ อ, องค์ใช้ปัจจุบันอะไรปฏิจจส ม, มุปบาทใช้อะไรใช้อัฐาอัฐานี่เอาเป็นอะไรเป็นชาติ อ, อวิชากับสังขารเป็นอดีตชาติ วิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาตันหาอุปาทานพบบางอย่างเป็นปัจจุบันชาติชาติชรามรณะเป็นอนาคตชาติอัฐาก็คือชาติเป็นเรื่องชาติชาติเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่เอาเรื่องชาติมาปารภนะเอ๊ะมันอย่างวัฏะอย่างเงี้ยปารภเรื่องวัฏฏะอย่างไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปารภเรื่องวัฏะเป็นต้นนะข้อปฏิบัติเหล่านี้จะไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่รู้ปฏิบัติทําไมถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องชีวิตในอดีตในอนาคตเป็นต้น ทันตัวปัญญาตัวนี้เรียกว่าธรรมะวิจัยวิจัยจนเห็นอริยสัจในในสิ่งเหล่านี้มันอะ่ะถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ต้องรู้เรื่องว่าอา น, นิสงส์ของการตัดสู้อริยสัจก็บอกความทุกข์ที่มันใหญ่เท่าภูเขาสินรุ่เนี่ยนะถ้าการตรัสรู้อริยสัจครั้งแรกขึ้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยบอกว่าความทุกข์อ น, นั้นลดเหลือแค่เ็ดเมล็ มเมล็ดพันธุ์ักกดนะก็คือเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ